การของผูกโ <c oughs> ้แล <c oughs> ้วก็เดินชันเดินชันเนาะเดินตอนเอุดทุกคนนเนตอนนั่งนั่งตามสบายได้ม่คํามจุเนาะนั่งฟังธรรมนะนั่งเจ้านี้ให้เรานั่งตามใจให้เราสบายสบาย ทำใจทำใ จ, จสบา ย, บายๆทำๆเมื่อกี้เราที่เปิดมนต์เมื่อส้องพูดเนาะว่าสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตนะมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีดดะดนะถามพระพุทธเจ้าชีวิตเราจะเป็นมงคลต้องทำแบบไหนนะก็พระพุทธเจ้าก็ อ, อธิบายมีถึงสามสิบแปดประการที่ชีวิตเราจะเป็นมงคล อย่างนึ่งเนะก็คือการฟังธรรมะก็เป็นมงคลของชีวิตของเราอย่างวันนี้นะเรามาทำบุญที่ตึกวีอพาร์ทเมนต์แล้วก็เกิน่ตึกใหม่นยะที่ซึ่งปรับปรุงใหม่นะทั้งเจ้าของก็ดีพนักงานก็ดีหรือว่าผู้อาศัยก็ดีนะที่มาร่วมกันทำบุญเรารู้จักบุญไหมเวลาทำบุญ เวลาเราจะทํานาดใช่ไหอหรือว่าเราจะทำพายุอะไรเนี่ยค้าขายทําอาหารนะเราก็ต้องรู้จักวัตถุดิบอย่างดีก่อนใช่ไหมเราจะทำกับข้าวเราก็ต้องรู้จักว่าอาหารนั้นเนี่ยต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างต้องทําอย่างไรนะต้องมีอุปกรณ์อย่างไรน ะ, ะแล้วเราก็ต้องทำใช่ไหม รู้เฉยๆแต่ไม่ทนะํานาะก็ไม่เป็นอาหารใช่อหมเราจะมีความรู้จากการอ่านจากการฟังแต่ถ้าเราไม่ไปซื้อวัตถุดิบเราไม่มีอุปกรณ์แล้วเราก็ไม่มาทนะําเนี่ยอาหารก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนชาไวไร่ชาวนานทํานาก็เหมือนกันนะอยากจะกินข้าวแต่ไม่มีนานไม่มีเมล็ดข้าวไม่ทํา นะก็ไม่เกิดข้าวบุญก็เหมือนกันนะเราต้องรู้จัก บ, บุญนะถ้าเราไม่รู้จัก บ, บุญนะเราจะทําบุญไม่ถูกนะเราจะทําไปคล้ายคล้าคล้ายเหมือนคนที่ตําน้ำปิดกระไดแม่น้ําตําทุ้งปิดกรไแม่น้ ำ, ำนลง ไ, ไปนะแม่น้ําไม่เก็นสักีเมือนกับคนทําบุญแล้วทําไมไม่ถึงบุญสักที ในสมัยก่อนนะมีมีพระราชาที่ประเทศจีนคนหนึ่งท่านแบบนับถือพระมากท่านเลยเอาเงินเอาทองเอาสิ่งต่างๆนะสร้างวัดแปดหนสี่พันแห่งทั่วประเทศจีนครั้นี้มีพระอาจารย์ผู้วิเศษรูปหนึ่งวิเศษก็คือว่าท่านมาจากอินเดียนะมาที่เมืองจีนมีคนนับถือมีคนที่ว่าท่านเป็นผู้วิเศษ พระราชาก็เลยมิมนนะท่านไปหาที่พระราชวาังไปหาแล้วก็สนทนารามว่าผมเนี่ยตั้งวัดแปดหมืนสี่พันแห่งเนี่ยผมได้บุญหรือเปล่าพระอินเดียท่านบอกว่าไม่ได้บุญเลยพระราชาก็งงเหมือนกันว่าทำไมเราสร้างวัดนะแต่ไม่ได้บุญเนเพราะว่าเนะ่ อันนั้นแค่สร้างสร้างว่าจริงๆนะมันก็เลยยังไม่ได้บุนะนั้นเราเองต้องรู้จัก บ, บุญโย่ถ้าเราไม่รู้จักการทําบุญเนะี่ยเราจะทําไม่ถูกเีนี้ชาวพุทธเรานะทําบุญแบบไหนทําบุญแบบอาดมาเรียบเที่ยงง่ายๆเหมือนคนไม่อาบน้ำนะไม่อาบน้ํา เนื้อตัวก็มีแผลนะแผลก็ไม่ทำน้ำก็ไม่อาบแต่ชอบไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ ม, มาใส่ mm hmm. ใช่มมันจะสะอาดไหมเราก็ไม่อาบน้ำแปรงฟันแผลแล้วก็มีเราก็ไม่ทาความสะอาดแผลเราก็ไม่ทำความสะอาดราาาดด่างกายแต่เราชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ ม, มาใส่นะการทาบุญที่ทำแต่เิดยแค่วัดถุกก็เหมือนกันนะ ก็คือว่าเราอยากจะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เราไม่รับสิ่งที่ชั่วนะเหมือนเราอยากจะใส่เสื้อผ้าตัวใหม่แต่เนื้อตัวเราไม่ไม่อาบน้ําเสื้อผ้าที่มันใหม่นะทักทักมันก็เหม็นนะเพราะว่ามันถูกกับเนื้อตัวเราที่มันสกรปรกหรือว่ายิ่งเนื้อตัวเรามีแผลนะมันถูกกับเลือดถูกกับน้องเนี่ยมันก็ยิ่ง ตบ ก, ก็ยิ่งเน่าเหม็นไปเลยแผลคืออะไรก็คือใจเนาะที่มันมีกิเลสนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่จริงกาทรทําบุญจริงๆ น, นนะต้องทําให้มันครบสามอย่างก็คือว่านะเราทําความดีนะเราทําความดีเราละความชั่วละสวามชั่วก็วววเปรียบเสมือนว่าเราทําความสะอาดด้านกายเรา นะการทำความดีก็คือการที่เราหาเครื่องมือหอมที่สะาดมาใส่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือถ้าร่างกายเราเป็นแผลเราก็ต้องรักษาแผลก็คือการทําใจให้สะอาดทําใจให้เกิดปัญญานะนั้นทาบุญจริงต้องทําให้ครบสามอยา่านงะรักษาแผลก็คือรักษาใจให้ปกตินะ ทำความประคับร่างกายก็คือการมีศีล น, นะมีศีลทางกายทางวาจานะไม่ทําความชั่วแล้วก็ทําความดีนะทําความดีนี้ก็ได้สาระทัศยางนะทําความดีทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการทาบุญนะนะอย่าเราก็เราอย่าทาบุญเอาหน้านะนะไม่ต้องทาบุญเอาหน้าเอาชื่อ บางคนก็เข้าใจผิดที่ว่าทําบุญเนี่ยต้องมีเงินถึงจะทําบุญได้เราต้องรวยก่อนถึงจะเอาเงินไปทาบุญได้ที่จริงบุญจริงๆนะ่ะเหมือนที่พุทโยมทานะถ้าอาตมากับพระสวดมนต์เฉยๆนะ่ะสวดเป็นบาซีนักพุทธโยมนั่งฟังเขานมมือใจอาจจะง่วงนอนนะหรือใจอาจจะคิดสวดอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ไม่ค่อยเป็นบุญแต่ใจเราเป็นบุญตอนไหน เรามีสมาธิในการสวดมนต์ด้วยเราได้ฟังคาสอนพระพุทธ เ, เจ้าไปด้วยเราได้ได้คิดได้มีปัญญาขึ้นนะมันเกิดบุญกว่านะใช่ไหมใจเราไม่วอกแวกไปที่อื่นหรือวอกแวกไปล้วก็กลับมาเดีกับการสวดมนต์มันเป็นบุญกว่าน ะ, นะหรือเมื่อกี้เรานั่งสมาธิเรานั่งสุขสติใจสงบไหม เักสองนาะทีก็ยังดีใช่ไหมให้มันจิตมันพักบ้าง น, นะบางทีเนะี่ยเราเห็นนะั่าวันหนึ่งบางีหัวม้วติ้ติ้ิ้เหมือนเือลูกขาดไปล้มนูมันเครียดเนะนะให้ใจเราพักบ้างนะใจเราพักอยู่กับลมหายใจบ้างก็ได้หรือใจเราพักหนะักอยู่กับการหมุนนิ้วก็ได้สรือถ้าคนทําเป็นหยิกนะ เวลากินข้าวก็ไม่ต้องหาเรื่องคิดนะกินข้าวก็แค่รู้สึกว่ากาลังกินนะเดินก็แค่ให้รู้สึกตัวว่ากาลังเดินนะหรือแค่รู้สึกเฉยนะไม่ใช่เดินไปคิดไปกินไปคิดไปนะจิตใจมันไม่ได้พักเลยการทำสมาธิการมีสติสือการการพักใจนะเรื่องนี้นะ บริษัทท่องเที่ยวเนี่ยมีเยอะแยะนะให้เราไปพักตายไม่ต้องทํางานแต่ก็เป็นในแบบอื่นแทนแต่พระเจ้าทราสอนวิธีพักใจนะพักใจเนี่ยไม่ต้องหนีจะได้โยพักใจก็คืออะไรเอาใจเราเนี่ยมาพักอยู่กับร่างกายไม่ต้องเอนใจไปพักอยู่กับพระพุทธรูปไม่ต้องเอาใจไปพักอยู่กับที่วัดเอาใจมาพักอยู่กับร่างกายคือการพักใจ ร่างกายเราทําอะไรนะให้เราใจมาพักอยู่ตรงนั้นก็คือว่าให้เราใจคอยรู้รู้ทันทีอยู่กับปัจจุบันนี่คือการพักใจถ้าใครสามารถพักใจแบบนี้ได้นะครูพระเจ้ญญาจะบอกว่าเป็นบุญที่สูงกว่าเป็นบุญที่ไม่ต้องลงทุนโยมไม่ต้องเอาเงินไปซื้อสังฆทานก็เป็นบุญไม่ต้องไปใส่บาท ทุกเช้าก็เป็นบุญไม่ต้องไปตามเชื่อหมอดูไปแก้กรรมไปตะดอกเคาะจะได้หมดกรรมแต่ถ้าใครรู้จักพักใจนะเอพักเบ่อยไรู้ตัวเบีย่ยไมันจะมีปัญญาเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทึ่งสอนสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ใช่เรื่องไรยมเรื่องชีวิตของเราเนี่แหละนะเรื่องชีวิตพนะระเจ้าไม่สอนเรื่องเรื่องโลก หลังจากตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรไม่ได้สอนว่าเราทาไมเราต้องเกิดมาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แต่พระเจ้าสอนให้เราเห็นว่าโยมลองดูนี่วันวันหนึ่งนี่ชีวิตเรามีสุขหรือมีทุกข์มากกว่ากันสุขหรือทุกข์ยิ้มหรือเครียดอัไหนมากกว่ากัน ไม่ต้องตอบอาสามาก็ได้นะไม่กล้าตอบใช่ปะไม่กล้าตอบลาะไม่เท่ากันไม่เท่ากันอ่าไม่เท่ากันเนาะแต่ละวันไม่เท่ากันเนาะแต่ยิ้ได้บ่อยไหมมันมันก็มีเหมือนกันอ่ามีอกันอมันน้อยเหรอ ยิ้มแบบปืนๆยิ้มะแบบลูกค้าลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแลดูห้องผยิ้มนับแขกับแขกพอแกไปก็ท่าเมบนหรือลาเดิ่มล่่มอบนี่เธอล่าเดิมเะไอ้รับายโบนนอะบนกับเพื่อนอนนะ่าไปบนกับลูกค้านะกันอันนี้คือไม่ใช่ล่ะเพราะว่า ชีวิตหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นนะเนาะไม่ใช่ตีพจนโยแบบมาว่าคนมีอำนาจคนมีเงินเยอะๆคนมีชื่อเสียงเยอเขาก็เป็นแบบนี้แหละนะมันเป็นใครเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ก็เป็นคนขนบดนี้เขาก็เลยเรียกว่าคนคนคือมันคนนะมันสุขมันทุกข์ปนกันแต่ เราจะทําไงให้เราเป็นมนุษย์ตอนเด็กตอนมาก็งงนะพี่ทําไมมันตน้องมีสองอันทําไมคนกับมนุษย์เนี่ยมันต่างกันอย่งไรทําไมไม่เรียกอย่างเดียวเลยเรียกคนก็เรียกคนเรียกมนุษย์ก็เรียกมนุษย์ก็งงงงเนี่ย ม, มันมีสองอย่างนะแต่พอฟังกร อ, อาจารย์พุทธทาต้องบอกว่าโอ้โนะคนนะก็คือคนคนกันเนาะ แต่มนุษย์เนี่ยคือบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนั่งยูงมีดีที่แววผลหากใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสถทดใจสว่างใจสงบถ้ามีภบผลเรียกมนุษสษาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลานะเปรมปีดาจุขสันทุกวันคืนสร <c oughs> ุ้น่ายก็คือว่า มนุษย์กับคนมาต่างกันคนใจต่ำมนุษย์ใจสูงนะใจสูงนะใจสูงก็คืออะไรใจดีใจดีหมเดี๋ยวดีใจดีใจกับ ใ, ใจดีนี่ต่างกันนะเอาสมมุติ ง, ง่ายๆสมมุตินะนะไม่ได้ว่าท่งเสริมนะสมมุติซนะื้อหวยนชูนะ่ะดีใจใช่ไหม ไม่ถูกก็เสียใจออืมแต่ถ้าสมมติมันถูกใช่ไหมถูก ก, ก็ก็ดีใจแล้วนะั้นกายเป็นใจดีน้อยเลี้ยงเพื่อนสักหน่อยอเอาเงินไปให้พ่อให้แม่สักหน่อยอันนี้ใจดีใจดีนี่ดีน ะ, ะแต่ดีใจในบางทีก็ไม่แน่นะบางคนก็ดีใจแล้วใจวายก็มีนะอืมดีกันแบบอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมนะที่จริงไม่อยากไม่อยากให้ทํำด้วยซ้ํำนะ มาไปถาแกแท็กี่อะไรเนี่นั่งแท็กที่ไปเขาก็คุยไป น, ะปนึกเห็นค่ะก็เย็บเย็บฐานหนุมพี่วันนี้มาที่ทิศหกแล้วเดือนที่แล้วนะักประธานสัปดหนี้มาที่ทิศหกมีได้อะไรเจ๋งๆหรือเปล่าคะเนี่ยสมันยังไม่ทันเพียงเลยนะขอซื้อหน่อยมาวะยอมซื้อทุกมวดเลยเหรอเขาก็บอกผมก็ซื้อทุกม้วนประมาณ ม้วนละสองสามร้อยบาทเนี่ยแหละครับซื้อมากี่้วและเพราะจำไม่ได้ตักงสามสี่ปีแล้วเหมือนกัน ซ, ซื้อติดต่อกันนะสามสี่ปีมัวละสมมติสามร้อยบาทนะสามประมาณ ม, ม, มันมียี่สิบสี่ม้วนลปีหนึ่งใช่ไหมอืมก็ประมาณปีหนึ่งก็น่าจะเจ็ดพันแปดพันบาทน่อ สามสี่ปีก็ประมาณสามมืน่นบาทสามมื่นบาทนี้ได้อะไรได้มอเตอร์ไซค์เลยนะแต่เขาซื้อสามสี่ปีบอกไม่ถูกสะงวดเลยอันมาต้องบอกว่าเนี่ยเอาเงินที่ซื้อหวยเนะี่ยไปหยอดตัวปุกนะยมได้มอเตอร์ไซค์พันหนึ่งแล้วอันนั้นอันนี้คือคนอยากจะรวยโยมอย่าไปคิดแต่ว่าหารไรได้เสริมต้องประหยัดนะ ประหยัดก่อนนะถ้ารู้จักประหยัดเนะี่ยมันจะรวยเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปไปไปหามาเพิ่มเลยแหละะมันจะประหยัดพอประหยัดนะมันจะรวยคนที่ประหยัดเนะี่ยจะรวยเองนะแต่คนอีกอย่างหนึ่งที่จะรวยไม่ใ่จริงโยมรวยที่ใจเราะคนมีเงินเป็นร้อยล้านพนะันล้านเนี่ยไม่รู้จักให้คนอื่นเลยเนะี่ยไม่เชื่อว่าคนรวย คนมีเงินร้อยบาทพันบาทรู้จักให้กระตือือนบ้างเนี่ยหรือเป็นคนรวยหรือบางทีเราไม่ได้ให้เเนะให่เงินเยอคนรวยนี่ยให้ด้วยรอยยิ้มอนี่ยเพราะนั้นเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพะอะไรคนไทยยิ้มเก่งใช่ไหมเขาชอบเมืองไทยเนี่ยชอบเมืองไทยชอบเมืองลาวเพราะว่าเป็นคนไทยเห็นตำาวยิ้มเขาประทับใจตรงนั้นนะอ ไปอยู่เมืองเขาเนี่ยหน้ารุ่งตึงเครียดใส่กันเนี่ยมันไม่มีความสุขพอมาเที่ยวเมืองไทยสบายสบายบา ย, ยิ้มกันอันนี้เป็นรอยยิ้มก็เป็นการเรียกว่าเป็นการทำบุญ น, นะได้ง่ายหรือเราให้อภัยคนอื่นบ้างเวลาเขาทำอะไรไม่ดีต่อเรานะเราให้อภัยเขาเนี่ยก็เป็นบุญ น, นะอภัยทานี่ยให้ให้ได้ง่ายสต่กับผู้ที่ คือจักให้บ่อยๆนะแต่ถ้าคนไม่ค่อยให้บ่อยๆเนี่ยก็จะให้ยากนช่ไหมมันว่าครูครูต้องว่ามันตอบนะหรือครูต้องด่าคือมันทําร้ายครูนะมันยืนงินครูไปไม่เอามาคือนั่นคอยไปแช่งกันคนสมัยนี้โกรกจะง่ายนะขับรถปาดหน้ากันก็ชักตื่นจริงกันแล้วใช่ไหม มองหน้ากันนิดนึงนะก็ควิ่นมาได้แทงกัน ก, กันะนะโกรธกัง่ายนะต้องรู้จักใจเย็นสักหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนะที่จริงพวกโยมนะสา ม, มารถทำบุญได้ทุกวันพูดกันด้วยความพนะ ร, ร้อพร้อนะรูดคําพูดพร้อพร้ต่อกันเนะี่ยเป็นบุญแล้วนะคาพูดที่เราสวดมนต์นนะ มีแต่คำพูดเพาะๆคำพูดในทางสร้างสารค์ในทางที่ดีนะถ้าพยมอยู่ด้วยกันนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะให้อภัยได้นะีน่ที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นสวรรค์แต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะที่ที่อยู่มันจะเป็นนรกมีมีฝาดนะ มีพระสานเขาเขาแต่งนิทานเนื่อนึงแสดงภาพสวรรค์กำนัลโลกนะสวรรค์กนัลโลกของพระ่านเป็นแบบไหนมาว่าใครจะเหมือนเคนไทยกัได้นะ่งดอมดูตองังดูเขาบอกว่าเขาจะพาบอกจะไปนรกหรือไปสวรรค์ก่อนไอคนนี้ก็ตรงประมาณนั้นจะไปนรกก่อนไปนรกไปแบบไหนเขาก็พาเปิดไปดูห้องห้องหนึ่ง เป็นโต๊ะอาหารอาหารมีระดับบุฟเฟต่ต์โรงแรมในนโยกแล้วก็มีโต๊ะนั่งเรียนก็โต๊ะอาหารเลยอาหารอย่างดีในวิเศษแต่มันมีข้อแม้อย่างก็คือว่าอ่าช้อนตับซ่อมเนาะอ่ามันจะยาวมากนะยาวเป็นเมตรอก็อตัดซ่อมนี่ยาวเป็นเมตรเลยนะแต่เราคนนั่งมันโต๊ะนะ แล้วก็ใช้ช้อนซ่อมตัวเองนะตักอาหารมันเม็ดหนึ่งเนาะมันจะเข้าป่ามันก็ไม่ถนัดแล้วก็เลี่ยราดเปหมดเลยนะแยกกันตัดแยกกันกินกินจะไม่ค่อยกินกับแล้วมันแยกกันแล้วก็หกเลียราดนะแต่และคนก็แบบรู้สึกแบบหิวแล้วก็โกรธแล้วก็แบบไม่กินนั่นเองอ่ะโรเป็นแบบนี้เหระอาหารก็ดีนะแต่ทําไมคนกินไม่ยิน เพรามันแยกกันคราวนี้เขาก็เลยพาไปดูสวรรค์ปรากฏว่าในห้องเนี่ยเหมือนกันหมดโยมช้ชอนก็ยาวเมตรหนึ่งเหมือนกันสวนรรค์เป็นแบบไหนต่างกันตรงไหนต่าง ก, า ก, ากันตรงไหนต่างกันคือคนตรงนี้ปากทหารเขาเข้าปากตัวเองไม่ได้เขาเข้าปากคนกำลังฆ่าคนนี้ตัดทหาร เ, ราเ้าก็าองปากเลยนะฮะครับ ให้คนทั้ข้าคนทั้ง้าก็เหมือนกันนะเอาป้อนกันนะพอคนอื่นป้อให้เังไหมเราก็มีความสุขขอบคุณครับอย่าเราป้อนเขาเขาก็ขอบคุณค่ะอะไรนะมันเป็นสวรรค์เนนะี่ยสวรรค์มันมีน้ําใจต่อกันเนาะอาจจะตําบากนะในการตัดแต่พอมีน้ําใจต่อกันแฝงกันเนี่ย ม, น ม, มนนนันกินมันสุดใจอันเนี้ยสวรรค์กับนรกนะ ก็ อ, อยู่ที่พวกเราพวกเราสร้างพวกเราทนะาาํานะพระเจ้าก็เลยบอกเน่ยสวรรค์ในกอารกก็อยู่ในใจนี่แหละนะใจเราเราร้อนใจเราเป็นปุ๊บใจเรามีแต่ความอยากมันก็เป็นอารมณใจเรามีความสุขแต่เรารู้จักให้รู้จักให้กับใคเนี่ยใจเราก็มีความสุขนะมาก็คิดว่าเนะี่ยอย่างนะอา จ, จารย์ หญิงนะอ่านะเป็นหนญะิงเน่ยเป็นอ่าเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลที่นี่นะก็ อ, อยากจะ่พวกพวกเราได้ทำบุญนะอยากให้เรารู้จักบุญนะอยากให้พวกเรามีความสุขนะอ่าก็คณะสงฆ์นะันงนะ่งจากวัดป่าสุขโตนะจังหวัเชีงภูลก็มาโดยมาบอกทางให้พวกเราได้รู้จักบุญอเนาะแต่ไม่ได้เอาบุญให้โยม น, นะเอาให้แต่ไม่ได้ มีแต่บอกได้นะำว่าบอกบุญเนะี่ยบอกเหมือนทางที่พวกเราจะมีชีวิตยอยู่จะมีความสุขบอกวิธีการที่จะทําให้ชีวิตเรามีความทุกข์น้อยลงเนะาะก็ให้พวกเราไปทํากันนะโยม น, นะทําบุญทําได้ทุก ข, ขนาดนะพูดความเ พ, า ะ, เพาะต่อกันก็เป็นบุญไหว้กันทําความดีช่วยเรลือกันนี่ก็เป็นบุญนะ ทำบุญกับพระทำบุญที่วัดก็ตาโอกาสโยมอะ่าไปบ้ามากนะเขาบอกให้เป็นคู่นี่เงินเสียนมาสร้างนั่งสร้างนี่ก็ไม่ต้องนะเอาแค่มีเท่าไหร่ก็สร้างนะไม่ใช่ว่าทําเงินเยอะกว่าได้บุญเยอะกว่าไม่ใช่มันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจับนะแล้วก็อีกอย่างถ้าใครลองทําดูนะเราฝึกนั่งสมาธิบ้านฝะึกมีสติในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันบะ้าน อย่าเป็นอดีตอย่าเป็นอนาคตมากเราทำอะไรนะให้เคล็ดลับนะโยมกายทำอะไรให้ใจทำด้วยเข้าใจปะเ <c oughs> ส้นกายกายมันเดินน่ะให้ใจก็อยู่กับการเดิน <c oughs> กายกินข้าวก็ให้ใจอยู่กับการกินข้าวนะ <c oughs> เคล็ดลับการปฏิติง่ายๆนะ <c oughs> กายทำอะไรใจทำด้วย นะให้กายทําใจรูนะ้รู้บ่อยบ่อยแค่นี้แหละไม่ยากนะไม่ต้องไปไม่ต้องหลับตาก็ได้โยกกินข้าวไม่ต้องนั่งหลับตาดูก็ลืมตาแล้วก็เอาใจดูเอาใจดูนะไม่ใช่เอาตาดูนะนะก็ปากไว้นะก็อนุโมทน า, ากับผู้ทุกคนนะนะที่ตั้งใจสวดมนต์ทำวัดนะแล้วก็ฟังธรรม มันจะเป็นตื่นมงคลกับช <c oughs> ีวิตของเราในวันนี Actually, ้แล้วก็กัรต่อไปเนาะก็ปฏิโมทนากับทุกๆคนนะการเมืองแบบจะใช้ถวายสังฆทานเลยปะก็ถวายสังฆทานพร้อมกับถวายพัตาหารพร้อมกันเลยเนาะการถวายพร้อมกันแล้วารถวายแล้วก็ให้จัดมาตถวายพระที อัดยมทดแทนช่วยกันสีสี่งของที่จะสวยขอจะไปใช้ช่วยกันอัดสีคนละชิ้นคนละชิ้นนะเป็นเจ้าภาพในการ เดี๋ยวจะถือก่อนเราให้พายกพาถวายข้าวสอันนี้หลานใช่ค่ะลานี่หาคเล็กอาจะถืออถไว้นะหนึท่านห่งสาไม่ได้ไม่้าเดี๋ยวกาแัถือได้ไหมขอ่วววะถือไก่อนชื่อเองนะถือีบ้านนจะพ่ง เดือต้องต้งเอาค่ะแต่ก็ถือค่ะทุกคนสือว่าสีอาหารสัตอยางอย่าซือคนนะอย่าซื้อคนผีผีผีผีผีผีผีผีผีีผีผีีีผีผีผีีผีี มานั่งใกล้ๆ่อนก่อัก่อนก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน่ั่นนั่งงนอง่กันน่ัก่ั่นังั่นนั่งง อิมานิมยังพันเตอิมานมะยังพันเตพัตตาัตานิพัตาสัพริวารานิสัพริวารานิุสังคตสัตาโหนยามะโหนชยามะคุณโนพันเตโนพันเตุสัโภุสโอิมานิอิมาิพัตานัตานิ ปฏิวารานีปิวารานีปฏิกาหาตุโนโน yes. ปฏิกาหาตมหากทีฆรตังทีฆรัตตายุขายะสุขายะก้าแตขาพิจดตผู้เรินพรนเจ้าข้างา